เวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านี่ในยามค่าคืนดาวที่เห็นระยะประยับนี่มีมากมายเฉพาะที่เห็นด้วยตานี่ก็เป็นหมื่นนะนะหรือว่าเป็นแสนแต่ว่าในความเป็นจริงนะมันมีมหาศาลไม่น่าเชื่ออย่างกาแล็กซี่หรือที่เรียกว่าดาราจักรเนียกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะที่โลกเราอยู่เนี่ยเขาว่ามันมีดาวถึง พันล้านดวงนะไม่ใช่แค่ล้านนะแต่ว่าพันล้านดวงนี่เฉพาะดาราจักรเดียวนะแต่เชื่อไหมว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์มากกว่าดาวในดาราจักรหรือกาแล็กซี่เนี่ยนะร้อยเท่าเลยนะเขาประมาณว่ามีเซลล์อยู่ในร่างกายเราประมาณ1ลนะ้นานล้านเซลล์นขณะที่ดาวในกาแล็กซี่เนี่ยทางช้างเผือกก็ประมาณพันล้านก็แตกต่างกันประมาณรนะ้อยเท่าน แต่ว่าที่น่าพิศวงกว่านนก็คือว่าแบคทีเรียหรือว่าจุลชีพในร่างกายเราเนี่ยนะร่างกายที่ยาววานหนาคืบเนี่ยนะเขาว่าเนี่ยรวมกันแล้วนี่นะมีประมาณ10ล้านล้านตัวนะหรือว่าร0อล้านล้านตัวนะหรือว่าร้อยล้านล้านเซลลก็ได้นะก็คือมากกว่าเซล์ในร่างกายเราเนี่ยสิหรือร้อเท่านะ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 แบคทีเรียจุลชีพเนี่ยนะเกือบสองกิโลนะหนึ่งกิโลแปดขีดทีนี้ว่าเฉพาะจํานวนมากมายมหาศาลของแบคทีเรียเนี่ยนะมันมีมากเป็นสิบหรือว่าเป็นร้อยรเป็นร้อยเท่านะของเซลล์ในะร่างกายมันก็ทําให้น่าคิดนะว่าร่างกายนี้เนี่ยเป็นของเราหรือว่าเป็นของแบคทีเรียกันแน่นะเราบอกว่าร่างกายนี้เป็นของเราเป็นของเรานะนะแต่ถ้าพูดในแง่จำนวนแล้วนี่นะ จุลชีพแบคทีเรียในร่างกายเรามัมนมีมากกว่าเซลล์ของมนุษย์เนี่ยนะเป็นสิบหรือร้อยเท่าฉะนั้นจะราบอกจะบอกว่าเนี่ยร่างกายเป็นของเราร่างกายเป็นของมนุษย์นี่บางทีมันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเพราะว่าในแง่หนึ่งมันก็เป็นบ้านของแบคทีเรียนะเป็นมหาศาลเลยนะเราจะบอกว่าโอ้เรามันเป็นร่างกายของเราสินะเพราะว่าเราก็ดูแลร่างกายนี้นะ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 เวลาเรากินนมเนี่ยแล้วที่นมมันมีประโยชน์ได้ก็เพราะมันมีพวกแบคทีเรียพวกนี้ช่วยช่วยทําให้เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะก็จะเป็นลัคโตสอะไรพวกนี้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าไม่มีพวกแบคทีเรียจุลชีพพวกนี้ร่างกายเราก็อยู่ยากนะเพราะว่าไอสารต่างๆที่ ป, ประโยชน์ต่อร่างกายที่ทำให้ร่างกายอยู่ได้เนี่ย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 เรากินยาคู่อะไรเข้าไปเนี่ยยาคู่เนี่ยก็คือแบคทีเรียนั่นแหละที่เติมเข้าไปในร่างกายที่จริงมันไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตตามสอดคล้องกับธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้เรากินยากินยาปฏิชีวนะต่างๆเข้าไปเนี่ยพวกนี้มันก็ไปทําลายจุลชีพแบคทีเรียนนในกระเพาะนะหรือว่าในร่างกายของเรามันก็เลยอพอมันหายไปมันก็เลยเกิดทั่วกับร่างกายเรานะ เล่ต้องเติมเข้าไปโอ้ยมันถ้าจะดูไปแล้วนี่ตอนนี้เขาพบว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเรียกว่าประโยชน์คงไม่ถูกนะั่นเรียกว่าจําเป็นดีกว่านะแม้กระทั่งโรคบางโรคเนี่ยนะัเพียงแค่เติมแบคทีเรียเข้าไปในะร่างกายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้กลับมาเป็นปกติได้เดี๋ยวนี้ก็มีมันก็มีการเติมในะแบคทีเรียเข้าไปทางทางทวารหนักเพราะว่ามันอยู่ในลําไส้ใหญ่ด้วยลําไส้ใหญ่นี่ตอนนี้ไอ้แบคทีเรียพวกนี้มันหายไปเยอะนะเพราะว่า การใช้ชีวิตของเรานี่มันมันไปทำลายพวกพวกจุลชีพเหล่านี้นะต้องเติมเข้าไปทางทวาร น, นะพอเติมเข้าไปทางทวารลเออสุขภาพดีขึ้นนะจริงเนี่ยไอจุลชีพพวกนี้มันทำเบืยอกับร่างกายจะเรียกว่าล้นๆ้นเลยก็ว่าได้นะไอะที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยนะสิบหรือร้อยล้านเท่าของเซลเนี่ยหรือร้อยเท่าของเซลเนี่ย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 ถูกปากเรานะบางทีกินเหล้านี่ก็สูบบุหรี่นะหรือว่าอาหารที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ามันมันอร่อยนะก็กินเข้าไปเพราะสีมันสวยเดี๋ยวนี้ผลไม้หลายอย่างที่สีสวยน่ากินแถมหวานเนี่ยนะเรารู้หรือเปล่าว่ามันมีสารพิษเยอะมาก เรากินเพราะอร่อยเพราะอยากอร่อยนะแต่ว่ามันไปทำลายร่างกายเราสุดท้ายก็เป็นภาระของพวกจุลชีพเหล่านี้แหละที่ต้องมาคอยช่วยฟื้นฟูแก้ไขไอ้สิ่งที่เราทำลงไปนะได้ขาที่ร่างกายนี้อยู่ได้เพราะจุลชีพนะแต่ว่าตัวเรานี่กับทำลายร่างกายของเรานะด้วยพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตนะที่ไม่ถูกต้อง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 นะไม่มีชาวนาชาวไร่นะไม่มีต้นไม้ไม่มีบรรยากาศไม่มีแสงแดดนะไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วก็ผู้คนอีกมากมายเนี่ยร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้นะจะไปคิดว่าโอ๊ยมันเป็นร่างกายของเราเพราะว่าเรามีเงินไปซื้อของไปซื้ออาหารอันนี้มันไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่ามีเงินแต่ถ้าไม่มีอาหารมันก็ไม่มีประโยชน์และจะว่าไปเงินก็มาจากไหนนะเงินก็ไม่ได้มาจากเราล้วนๆนะ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 ตามที่ต่างๆไม่ปล่อยให้มันมีเชื้อเข้ามาในร่างกายเพื่อทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานก็เลยป่วยง่ายนะอันนี้ก็กลายเป็นว่ายิ่งเจริญนะเรากลับยิ่งทำร้ายตัวเราเองแล้วก็ไปบั่นทอนการทำงานของพวกธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในร่างกายเราอลองคิดไปให้ดูดีๆนะไร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเลยไม่ว่าจะมองในทางโลกหรือทางธรรมก็ตามเอาละเตรียมรับพร